สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรม 14. วิปากปัจิโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบาก 15. อาหารปัจิโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหาร 16. อินทรียปัจิโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอินทรีย์ 17. ชาณปัจิโย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นฌาน 18. มัคคัปปเ จ, จยีย ου. สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นมัคสิบเก้าสำประยุตตเ จ, จยีย וז. สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการประกอบ 20. วิประยุตตเ จ, จยียสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการไม่ประกอบ21่สิบเอ็ธิปเ จ, จ ย, ย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 ปั จ, จยุทเทศจบปัจจยะวิพังควาล 2. ปัจจยนิเทศ 1. เหตุุปัจจัยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตได้เหตุและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตได้เหตุนั้นเป็นสมุดฐานโดยเหตุปัจจัย 2. อ, อารามณปัจจัยได้แก่รูปายตนะ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 เป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณะปัจจัยโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณะปัจจัยรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะประสายตนะและโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุ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 เป็นป ay, ja och och ัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยสมันตระปัจจัยโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นเป็นสมานันตรัปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้น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 และสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยนิตยภาพัจรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแกม่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยนิตยภาพใจเก้าอุปนิทยภาพัจได้แก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลทึ้งเกิดหลัง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 เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาประธานที่สัมพยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยบางคราวเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาประธานที่สัมพยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยบางคราวไม่เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย11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 สภาวธรรมที่เป็นอคกุศนซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศนซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยากตะกิริยาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัย 13. มกรรมปัจจัย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 กายินทรียเป็นปจัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุตด้วยกายวิญญาธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยรูปปัจจีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่พัตตารูปโดยอินทริยปัจจัยอินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุตและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยอินทรยิยปัจจัย17ชานะปัจจัย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 ได้สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักรวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สามปยุทธ์ด้วยคานาวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยเชิวหายตนะ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 เป็นปจัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธ ism, รรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยคันทา ย, ยตนะเป็นปัจจัยแก่คารวิญญาณธาตุและสภาวธรรม ism, ที่สัมปยุทธ์ด้วยคารวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัย <free S 2> รัสา ย, ยตนะเป็นปจัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยโพธพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอัธิปัจจัยรูปายตนะสัธทธายตนะคันธาายตนะรัศ า, ายตนะและโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยมโนธาตุนั้นโดยอัธิปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมนโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป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 จา